เพื่อมาสร้างความสุขให้แก่จิตใจเพราะจิตใจเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราร่างกายนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญเหมือนกันแต่ไม่สำคัญเท่ากับใจเพราะใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายส่วนร่างกายนี้ เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงต้องถึงเวลาที่จะต้องมีการดับไปแต่ใจนี้ไม่ได้ดับไปกับร่างกายและความสุขของร่างกายก็ไม่มีก็ไม่ไม่สุขเท่ากับความสุขของใจความทุกข์ของร่างกายก็ไม่ทุกข์เท่ากับความทุกข์ของใจ ใจถ้าได้รับการดูแลด้วยการทำบุญอย่างสม่ำเสมอใจก็จะมีความสุขมากกว่ามีความทุกข์ถ้าใจมีความสุขแล้วถึงแม้ว่าร่างกายจะทุกข์จะอดอยากขาดแคลนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายไปความทุกข์เหล่านี้จะไม่มากระทบกระเทือนกับความสุขของใจ ในทางตัวกันข้ามถึงแม้ร่างกายจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ไมทุกแต่ถ้าใจทุกข์แล้วความสบายของร่างกายนี้ mm. ก็จะไม่สามารถดับความทุกข์ของใจได้ mm. แต่ความสุขของใจนี้สามารถดับความทุกข์ของกายได้คือความทุกข์ของร่างกายจะไม่ มาทำให้ใจที่มีความสุขนั้นเดือดร้อนเลยเพราะความสุขของใจนี้มีพลังมากกว่าความสุขและความทุกข์ของร่างกายนั่นเองดังนั้นเราจึงควรให้สำคัญต่อการดูแลจิตใจของเราให้มากกว่าการดูแลของร่างกายร่างกายเราก็ดูแล พอให้เขาอยู่อย่างปกติสุขได้ก็พอแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องดูแลอย่างโมโหลานดูแลอย่างพิจารณาอย่างคนที่มีเงินมีทองเขาดูแลกันเช่นซื้อเสื้อผ้าราคาแพงๆมาสวมใส่ซื้อบ้านราคาแพงๆมาอาศัยอยู่หรือ มีอยกยาราคาแพงๆอาหารของแพงๆต่างๆมารับประทานเพราะของแพงๆเหล่านี้ก็ทำได้เท่ากับของที่ไม่แพงเสื้อผ้าราคาแพงกับเสื้อข้าราคาถูกก็ทำหน้าที่เหมือนกันเช่นฤดูหนาวก็ช่วยปกช่วยทำให้ร่างกายอบอุ่นไม่เจ็บไข้ได้ป่วย จะเป็นเสื้อค้าเสื้อหนาวราคาตัวละแสนกับเสื้อหนาวราคาตัวละพันมันก็ทาหน้าที่เหมือนกัน mm. เช่นเดียวกับ weekend. อาหารราคาแพงๆกับอาหารราคาถูกๆมันก็ทําหน้าที่เช่นเดียวกันก็คือให้ความอิ่มแก่ร่างกายดังนั้นเราไม่ควรที่จะไปหลงกับการดูแล ร, รักษาร่างกาย ด้วยของแพงๆที่ไม่จําเป็นดูแลร่างกายด้วยของถูกๆก็ได้เพราะว่าถ้าเราไม่ต้องดูแลร่างกายมากเราก็จะได้มีเวลาที่จะมาดูแลใจของเราให้มากขึ้นแต่ถ้าเราดูแลร่างกายของเรามากเราก็ต้องเสียเวลากับการไปทำมาหากิน หาเงินหาทองเพื่อมาเลี้ยงดูร่างกายเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาดูแลจิตใจถ้าจิตใจไม่ได้รับการดูแลแล้วจิตใจก็จะมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจไม่รู้จักจบจากสิน้นต่อให้เรามีเงินมีทองมีข้าวของมากมายไว้ดูแลร่างกายของเรา แต่ใจของเราจะหาความสุขไม่ได้เลยเพราะหมัวแต่ไปยุ่งกับการหาเงินหาทองต่างๆมาบำรุงบำเลอร่างกายของเราที่มีแต่จะแก่ลงไปเรื่อยๆจะมีแต่เจ็บไข้ามากขึ้นและจะตายไปในที่สุดแต่ใจของเรานี้ไม่แก่ไม่เจ็บไข้ไม่ป่วยและไม่ตาย แต่เรากลับไม่ดูแลใจของเราใจของเราจึงเป็นเหมือนลูกกําพาส่วนร่างกายของเราี้เป็นเหมือนลูกลักเราดูแลผิดคนเราวรแทนที่จะดูแลใจของเราเป็นเหมือนลูกกําพาเราควรจะดูแลใจเป็นเหมือนลูกของเราส่วนร่างกายนี้เราควรจะดูแลเหมือนเป็นลูกกําพา เป็นเหมือนเด็กที่เราเอามาเลี้ยงนะเพราะว่าเขาไม่ใช่เป็นลูกของเรานั่นเองร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแต่ใจนี้และเป็นตัวเราและของเราที่เราควรที่จะดูแลรักษาให้มากเพราะใจที่ได้รับการดูแลรักษาได้อย่างเต็มที่แล้วจะนำเอาแต่ความสุขมาให้อย่างเดียว เช่นใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาารัลหลังตสาวกมีแต่มัลลมสุขปาลมังสุขขังว่าท่านทุ่มเทเวลาให้กับการดูแลรักษาใจยิ่งกว่าการดูแลรักษาร่างกายดูพระพุทธเจ้าทรงอดปรกายยาหารถึง49วันเพื่อที่จะดูแลรักษาใจเพื่อที่ ต้องการที่จะกำจัดสิ่งต่างๆที่มาสร้างความทุกข์ความไม่สบายใจให้แก่ใจของพระพุทธเจ้าเพียงแต่ว่าการกระทำแบบนั้นไม่ใช่เป็นวิธีที่จะดูแลรักษาร่างกายให้หมดทุกได้เท่านั้นเองเพราะร่างการอดอาหารอย่างเดียว นั้นไม่ได้เป็นวิธีที่จะทําลายต้นเหตุที่สร้างความทุกข์ให้แก่ใจเพราะต้นเหตุของความทุกข์นั้นอยู่ในใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายการที่ไม่รับประทานอาหารนี้จะไม่ได้ไปยุติต้นเหตุของความทุกข์ทางใจได้หลังจากที่ทรงอดพระกยาหารถึง49วันและใกล้จะถึงแก่การเสียชีวิต พระองค์จึงได้สติได้ปัญญาขึ้นมาว่าอดต่อไปก็จะไม่ได้ไปหยุดต้นเหตุของความทุกข์คือความอยากต่างๆที่ยังมีอยู่ในพระทัยของพระองค์พระองค์จึงเห็นว่าความอยากนี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความอยากอาหารอยากอะไรต่างๆนี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่อยู่ที่ใจเพราะตอนนี้ร่างกายที่พระองค์ทรง อดพักกายหาหนึ่งสวันก็ยังไม่สามารถที่จะตัดหรือดับความอยากต่างๆได้จึงทรงกลับมาสวยพักกายหารตามปกติจนพอมีกำลังที่จะภาวนาได้จึงทรงใช้วิธีการภาวนาคือการทำจิตใจให้สงบและการเจริญปัญญา เพื่อให้เห็นต้นเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงว่าอยู่ในความอยากที่อยู่ในพระทัยของพระ อ, องค์เองนั่นเองเมื่อทรงเห็นแล้วก็สามารถที่จะตัดความอยากต่างๆออกไปได้เหมือนกับแพทย์ที่ศึกษาหาต้นเหตุของโรคของร่างกายว่าเกิดจากอะไรหลังจากที่ศึกษาดู ค้นคว้าดูวิเคราะห์ดูแพทย์ก็จะรู้ว่าเป็นเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคภัยดังนั้นวิธีที่จะทำให้หายจากโรคภัยก็ต้องทำร้ายทำลายต้นเหตุก็คือเชื้อโรคจึงคิดหาวิธีการต่างๆจนได้วิธีการหรือได้ยได้ยาที่สามารถมาฆ่าเชื้อโรคได้พอเชื้อโรคได้ถูกทำลายเป็นหมดแล้ว โรคภัยในร่างกายก็จะหายหมดไปฉันใดความทุกข์ใจของพวกเรานั้นก็เกิดจากเกิดจากความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราเช่นอยากมีความสุขด้วยการเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผดผลาญต่างๆเช่นดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราหรือรับประทานอาหารที่ถูกลดถูกอกถูกใจดื่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆความสุขเหล่านี้เกิดจากความอยากถ้าเราอยากแล้วเราก็จะมีความสุขชั่วคราวในขณะที่เราได้เสพแต่เวลาใดาที่เราอยากแล้วเราไม่ได้เสพ เราก็จะเกิดความทุกข์ทรมานขึ้นมาและความอยากแบบนี้ก็จะไม่มีวันหมดไปต่อให้ได้เสพได้มากน้อยเพียนไรก็ตามก็จะไม่เกิดความอิ่มเกิดความพอแต่มีจะมีแต่ความอยากเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับความอยากมีหรืออยากเป็นอยากมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากมาย อยากจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่อยากจะเป็นคนใหญ่คนโตมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงอยากจะให้คนยกย่องสรรเสริญเยินยอเคารพนับนับถือความอยากอย่างนี้ก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาที่ไม่ได้ดังที่ต้องการก็จะเกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ใจเกิดความน้อยนึกน้อยใจ เช่นอยากจะได้อะไรแล้วไม่ได้ก็จะเกิดความน้อยใจขึ้นมาเป็นความทุกข์ทางใจและประการสุดท้ายคือความอยากไม่เป็นอยากไม่มีไม่มีใครอยากจะจนกันมีแต่อยากจะไม่จนอยากจะไม่แก่อยากจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะไม่ตายทุกครั้งที่คิดถึงความยากจนคิดถึงความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วย คิดถึงความตายก็จะมีความทุกข์ไม่สบายใจเกิดขึ้นมาเพราะความไม่อยากนี้เองถ้าไม่มีความคิดความไม่อยากอยู่ในใจแล้วเวลาแก่ก็จะไม่เดือดร้อนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่ทุกข์เวลาจะตายก็จะไม่วุ่นวายเพราะไม่มีความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายนั่นเอง พระพุทธเจ้าจึงพิจารณาหาวิธีว่าจะทําอย่างไรที่จะดับต้นเหตุของความทุกข์ที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์เองได้ก็ทรงพิจารณาเห็นว่าบุญนี่แหละคือวิธีการที่จะทําให้ใจหมดทุกข์ได้จึงได้ทรงบําเพ็ญบุญตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นคือทางทรงเห็นว่าการมีความ ผูกพันอยู่กับสมบัติเข้าของเงิงนทองบุคคลต่างๆเป็นต้นเหตุของความทุกข์เพราะเพราะเมื่อมีความผูกพันก็แสดงว่ามีความหวงมีความห่วงมีความเสียดายเวลาที่เกิดการสูญเสียเกิดการทัดท่าจากกันพระองค์จึงจำใจจะต้องตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากใจ ทรงสละราชสมบัติทรงสละพระมเหสีทรงสละพระราชโอรสที่เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงรักและหวงแหนยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกแต่ทรงเห็นว่าความรักความผูกพันนี้เองที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะเป็นความอยากในการ คืออยากในรูปเสียงกลิ่นรสของบุคคลเหล่านี้นั่นเองอยากจะเห็นหน้าเห็นตาเขาอยากจะอยากจะกอดอยากจะรัดเขาอยากจะได้ยินเสียงของเขาเน่ยเวลาที่ไม่ได้อยู่ใกล้เขาแล้วจะเกิดความรู้สึกว้าเหวเศร้าซ้อยห่อยเหงาพระองค์ทรงเห็นว่าการมีความยึดติดอยู่ใน การมาสุขนี้เองคือความยึดติดในรูปเสียงกลภภิ่นรสโผฏฐะของบุคคลต่างๆหรือของวัตถุเข้าของต่างๆเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจยึงต้องทำทานคือการให้สลัสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้แก่ผู้อื่นไป คือจะไม่ทรงยึดติดเป็นของของตนไม่ถือว่าเป็นของของตนอย่างพวกเราวันนี้เราก็มาทำทานกันเรามาสละเราจะมาปล่อยวางหรือให้ของที่เรารักเราหวงให้แก่ผู้อื่นไปเสียสละไม่รักไม่ชอบไม่ติดกับสิ่งที่เราให้ไปวันนี้เช่นวันนี้เราเอาเงินทองเอาเข้าวของต่าง ที่เรารักเราหวงเราชอบเรามีความผูกพันมาให้แก่ผู้อื่นเป็นการตัดความผูกพันเพื่อใจของเราจะได้สบายมีความสุขนั่นเองเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ทำเท่ากับพระพุทธเจ้าเท่งนั้นเองเรายังทําเราทํายังไม่มากเหมือนกับพระพุทธเจ้า แสักวันหนึ่งถ้าเราได้ทำไปเรื่อยๆแล้วและเราก็จะเห็นว่าเป็นประโยชน์เป็นสุขแก่ใจของเราช่วยทำให้ใจของเราคลายความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องต่างๆได้เราก็ากจะให้ไปเรื่อยๆและให้จนหมดได้ต่อไปเพราะมีผู้ที่กระทำตาม ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำมาแล้วนับเป็นจำนวนมากเช่นพระสาวกทั้งหลายที่ได้สละสมบัติเข้าของเงินทองสละญาติชนิดมิสหายสละครอบครัวออกบวชกันมีเป็นจำนวนมากนับตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้แล้วประกาศพระธรรมคาสอนให้แก่สันโลก มีผู้มีจิตศรัทธาได้สละชีวิตของคารวาเพื่อมาปฏิบัติรมเพื่อที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปมีเป็นจำนวนมากมาตลอดระยะเวลา2500กว่าปีแล้วเพราะการเสียสละการให้นี่แหละ ที่จะทำให้ใจได้ปลดเปลื้องความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากการจากความผูกพันกับบุคคลต่างๆก็ดีวัตถุเข้าของสมบัติเงินทองต่างๆก็ดีให้หมดไปจากใจนั่นเองนี่คือขั้นต้นของการสร้างบุญสร้างกุศลก็คือต้องให้วัตถุเข้าของเงินทอง ต่างๆที่เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยอยาเก็บเอาไว้เพราะมันจะเป็นภาระกฎดดันจิตใจจะทำให้ใจนั้นมีความวิตกกังวลมีความทุกข์กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองและบุคคลต่างๆพย า, า, ายามพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยง มันไม่อยู่กับเราไปตลอดเราก็จะไม่อยู่กับเขาไปตลอดสักวันหนึ่งเขากับเราก็ต้องแยกทางกันไปเช่น <Che ers, S 1> เวลาเราตายไปเราเอาอะไรไปไม่ได้เลยสมบัติเท่ากองเงินทองที่อุตสาหาแทบเป็นแทบตายก็เอาไปไม่ได้แม้แต่สลึงเดียวญาติสนิทยิ่สหาย คู่รักของเราคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาบุตริดาเราก็เอาไปไม่ได้เลยเอาไปได้แต่ความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ให้ถ้าเราไม่ปล่อยไม่วางก่อนที่เราจะจากไปดังนั้นการมาทำบุญให้ฐานนี้ก็เป็นการฝึก ปล่อยการปล่อยวางการตัดความผูกพันกับสิ่งของต่างๆนั่นเองบุคคลต่างๆนั่นเองขอให้เราพยายามทำให้มากขึ้นนี่คือเหตุผลของการให้ทานไม่ได้ให้ทานเพื่อหวังความร่ำรวยหรืออะไรหรอกซึ่งความร่ำรวยนี้ก็มีอนิสงส์เป็นส่วนหนึ่งของอนิสงส์ของการให้ทาน แต่ไม่ได้เป็นอนิสงส์ในภพนี้ชาตินี้ยัดแต่จะตามมาในภพต่อไปในภายภาคหน้าในภพนี้สิ่งที่เราได้จากการให้ทานก็คือความสบายอกสบายใจความปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจกับวัตถุเข้าของเงินทองต่างๆนั่นเองนี่คือเหตุผลของการให้ทาน เพื่อที่จะทำให้ใจมีความสุขใจมีความเบาใจมีความสบายใจไม่ยึดไม่ติดไม่กนนังวลกับวัตถุเข้าของเงินทองต่างๆแต่การที่จะทำบุญให้ทานอย่างนี้ได้เราต้องใช้ธรรมะอีกข้อหนึ่งที่เรียกว่ามักน้อยสันโดรเราต้องอยู่แบบนักน้อยคือ เอาเท่าที่จำเป็นเช่นเสื้อผ้าก็เอาพอพิเอาเท่าที่จำเป็นไม่ต้องการมากมายเกินความจำเป็นอาหารก็รับประทานตามความจำเป็นของร่างกายไม่จำเป็นที่จะต้องมีราคาแพงๆ แ, และไม่รับประทานมากเกินความต้องการของร่างกายที่อยู่อาศัยก็พอให้มีหลบแดดหลบฝนได้ ไม่จำเป็นจะต้องมีราคาแพงๆยารักษาโรคเพื่อขอให้มีขอให้มีไว้สำหรับรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ไม่ต้องมีราคาแพงๆก็ได้ถ้ารักษาโรคภัยไข้เจ็บได้เหมือนกันนี่คือวิธีที่จะทำให้เราสามารถทำทานได้เพราะว่าเราจะมีเงินท้องเหลืออยู่นั่นเอง และเมื่อเรามีเงินทองเหลืออยู่เราก็ต้องอย่าเอาไปใช้จ่ายกับของฟุ่มเฟือยต่างๆที่ไม่จาเป็นถ้าเรามีเสื้อผ้าพอแล้วเราก็อย่าไปซื้ออีกถ้าเรามีรองเท้าพอใส่แล้วเราก็อย่าไปซื้ออีกหรือถ้าเรามีเสื้อผ้าหรือรองเท้ามากเกินไปก็ควรจะแบ่งเอาไปให้คนอื่นเขามีเงินทองเหลือใช้ก็ควรที่จะเอาไป ทำบุญทำทานแล้วใจของเราจะได้ไม่ยึดไม่ติดกับข้าวของเงินทองจะมีไว้เพียงแต่เท่าที่จำเป็นเท่านั้นแล้วก็จะไม่ทุกข์กับการที่เราไม่ร่งไม่รวยไม่มีเงินทองมากมายเหมือนคนอื่นเพราะเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีเงินทองมากมายนัย่นเองความสุขที่ได้จากการ ทานจากการไม่ยึดติดกับเงินทองนี้จะมีความจะจะสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากการได้เงินทองมาเป็นร้อยล้านพันล้านเพราะการที่มีเงินทองร้อยล้านพันล้านนี้แทนที่จะมีความสุขกับจะมีความทุกข์เพราะจะต้องคอยมาเฝ้ารักษาเงินทองต้องคอยหวงคอยห่วงและจะกลายเป็นคนใจแคบไป เพรจะไม่อยากให้ใครมาขอมาแบ่งไปเวลาใครมาขอเงินขอทองก็จะหวงจะไม่ให้จะเป็นคนใจแคบไปเพราะความอยากได้มากๆนี้เองจะทําให้ไม่อยากให้ใครเพรให้ไปแล้วก็จะทําให้มีเงินน้อยลงไปนั่นเองแต่คนที่มีความนักน้อยสันโดษนี้จะ ไม่ได้จะไม่อยากได้เงินทองมากมายเกินความจำเป็นถ้ามีมากเกินความจำเป็นก็จะไม่เก็บเอาไว้อยากจะเอาไปให้คนอื่นอยากจะช่วยเหลือคนอื่นเพราะการให้หรือการได้ช่วยเหลือคนอื่นนั้นทําให้มีความสุขใจมากกว่าการมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านนี่ขอให้เราลองคิดดูคิดดูพิจารณาดูว่าจริงหรือไม่มีเงินล้า มียิ่งมีเงินมากก็ยิ่งหวงมากคนรวยนี่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะทำบุญให้ทานคนที่ทำบุญให้ทานมักจะไม่รวยเพราะว่าไม่ต้องการความรวยนั่นเองต้องการความรวยภายในจิตใจคือต้องการรวยบุญรวยทรัพย์ภายในใจ เวลาเราให้ทานเราทําบุญนี้เราจะเป็นเศรษฐีทางจิตใจจิตใจของเราจะมีความสุขแต่ถ้าเราเป็นรวยทางภายนอกรวยทางร่างกายใจของเราจะมีแต่ความทุกข์เพราะเราจะมีความผวกความยึดติดอยู่กับเงินทองของเราจะทําให้ใจของเรานี้มีแต่ความวุ่นวายวิตกกังวล กลัวว่าเงินทองจะน้อยลงไปหรือกลัวว่าเงินทองนี้จะสูญหายไปนี่คืออนิสงค์ของการทําบุญที่เกิดจากการให้ทานจะช่วยรักษาทําให้ใจของเรามีความสุขคนให้จะมีความสุขคนไม่ให้จะไม่มีความสุขหลังจากนั้นแล้วเราก็ต้องทําบุญอีกขั้นหนึ่ง ขั้นที่สองก็คือการไม่เบียดเบียนผู้อื่นเพราะการเบียดเบียนผู้อื่นจะทำให้จิตใจเรามีความว้าวุ่นขุ่นโมวไม่มีความสุ k นั่นเองแต่ถ้าเราไม่เบียดเบียนผู้อื่นใจของเราก็จะมีความสุขมีความเย็นมีความสบายไม่เดือดร้อนไม่วิตกกังวลว่าเราจะต้องไปใช้นี้ใช้ก่ เพราะเราไม่ได้สร้างนี้สร้างกรรมไว้นั่นเองการเบียดเบียนผู้เช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การประพฤติผิดตัวเวดีการพูดปดการเสพจุรายาเมาเป็นการสร้างกรรมให้กับเราสร้างเวดให้กับเราเวลาเราทำไปแล้วเราจะต้องใบชดใช้กรรมต่อไปทั้งในโลกปัจจุบันนี้และใน อนาคตที่ตามมาหลังจากที่เราตายไปแล้วในปัจจุบันก็ต้องไปใช้นี่ในคุกในตารางหรือถือผู้อื่นคอยจองเวรจองกรรมเวลาตายไปก็ต้องไปใช้นี่ในอบายจะไม่ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ทันทีจะต้องแวะไปเกิดเป็นมดเดรชานก่อนไปเป็นเปรตก่อนไปตกนรกก่อน กว่าที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือการไม่เบียดเบียนผู้อื่นถ้าเราไม่เบียดพ้นผู้อื่นเรารักษาศีลได้อยา่างบริสุทธิ์ตลอดเวลาตายไปเราก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายเราก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาสร้างบุญสร้างกุศลต่อไปจนกว่าเราจะไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปนี่คือ อา น, นิสงส์ของการรักษาศีลที่พวกเราควรที่จะพยายามรักษาให้ดีวิธีที่จะรักษาศีลได้ก็ต้องมีหิริโอตปะคือต้องมีความอายในการทำบากมีความกลัวบาอายการเพราะการกระทำบาปนี้เป็นสิ่งที่นรน่าระอายยิ่งกว่าการไม่มีใส่เสื้อผ้าไม่มีเสื้อผ้าไว้สวมใส่ พวกเราก็รู้อยู่ว่าถ้าเราไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่เราจะไม่กล้าออกไปให้ใครเขาเห็นเราได้เราจะไม่สวมใส่เสื้อผ้าก็เฉพาะตอนที่เราอาบน้าอยู่ในห้องน้ำาท่านั้นเองเวลาเข้าห้องน้ำเราก็ต้องปิดประตูอย่างมิชิดเราอายไม่อยากให้ใครเขาเห็นเราในขณะที่เราไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่นั่นเอง ฉันใดใจของเราก็เป็นเหมือนร่างกายที่ถ้าไม่มีศีลก็จะเป็นเหมือนกับร่างกายที่ไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่ศีล น, นิลาคืออาภรณ์ของใจผู้ที่มีศีล น, นี้จะเป็นผู้ที่น่าดูน่าชมน่ายกย่องน่าสรรเสริญแต่ผู้ที่ไม่มีศีล น, นี้ก็จะเป็นเหมือนกับคนที่ล่อนจ้อนไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่ น่าเกลียดน่าน่ารังเกียจไม่มีใครเขาต้อนรับถ้าไม่เชื่อลองอยัดลองถอดเสื้อผ้าเข้ามาในวัด น, นี้ดูดูเสว่าจะมีใครเขาต้อนรับหรือว่าเขาจะขับไล่สส่งแม้แต่เพียงแต่แต่งกายไม่เหมาะสมเช่นใส่กระโปรงสั้นเขายัางต้องเอาผ้าสผ้าสโหลมาให้มาให้นุ่งให้ใส่เวลาที่เข้ามาในศาลา เพราะว่าเป็นการแต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อยนั่นเองฉันใดผู้ที่ไม่มีศีลก็เป็นผู้ที่แต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อยไปที่ไหนก็จะไม่เป็นที่ยินดีชื่นชมไม่มีผู้ไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยคนที่ไม่มีความซื่อสัจจจริตเพราะฉะนั้นขอให้เราพยายามรักษาศีลให้ ให้ดีศีลที่เราควรรักษาก็คือศี่ทานี้เองคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสพสุรายาบหลวงถ้าเรารักษาสี่ทได้แล้วไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราจะมีแต่คนที่เขารักเขาชอบเขาชื่นชมยินดีเขาอยากจะคบค้าสมาคมกับเราอยากจะเป็นเพื่อนกับเรา แต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีศีลเราจะไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยเวลาหางานหาการก็จะลบาบากเพราะจะไม่มีใครจ้างเราถ้าเขารู้ประวัติของเราว่าเราเป็นคนไม่มีศีลเช่นคนที่ไปติดคุกติดตรางถึงแม้ว่าจะไปใช้กรรมหมดแล้วออกมาก็ยังไม่มีใครอยากจะจ้างมาทำงานด้วย กลัวว่าจะกลับไปทําเหมือนเดิมอีกอดังนั้นขอให้เราพยายามมีฮิริโอตตะปะพยายามเลิกถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราถ้าเราไม่รักษาสิงถ้าเราไม่มีความซื่อสัสตย์สุจริตชีวิตของเราจะไม่มีความสุขเพราะว่าเราจะไม่มี คนคบค้าสมาคมด้วยการทำมาหากินของเราก็จะลําบากจะไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรจึงขอให้เราพยายามรักษาศีลไว้ให้ดีและขั้นต่อไปเราก็ต้องมาทำใจของเราให้สงบให้ได้เพราะความสงบของใจนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งนั่นเอง จะไม่มีอะไรดีเท่ากับความสงบสุขของใจต่อให้ได้เงินได้ทองมาเป็นร้อยล้านพันล้านก็จะไม่สุขเท่ากับความสงบของใจถ้าเรามีความสุขมีความสงบแล้วใจของเราจะไม่หิวไม่อยากกับอะไรจะอยู่เฉยๆได้อย่างมีความสุขจะไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นจะมีแต่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่น ให้ผู้อนได้มีความสุขเหมือนกับเรามีความสุขความสุขที่แท้จริงนี้ไม่ได้อยู่ที่การมีข้าวของเงินทองมีลาบยศเจริญรสนและแความสุขนี้เกิดจากการทำใจให้สงบขอให้เราทำใจให้สงบด้วยการสวดมนต์ก็ได้ด้วยการนั่งหลับตาบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้ เพราะว่าใจของเรานั้นจะต้องมีอะไรควบคุมเอาไว้ถ้าปล่อยให้ใจคิดไปเรื่อยๆใจจะไม่นิ่งจะไม่สงบจะไม่มีความสุขแต่กลับจะมีความทุกข์เวลาเราคิดในเรื่องที่ทำให้เกิดความว้าวุ่นขุ่นบัวขึ้นมาใจของเราก็จะไม่มีความสงบไม่มีความสุขแต่ถ้าเราหยุดความคิดได้ ใจของเราก็จะมีความสบายมีความสุข ด, ดังนั้นเราต้องรู้จักวิธีหยุดความคิดของเราด้วยการเอาความคิดของเรามาคิดในเรื่องที่ไม่เกิดความวุ่นวายเช่นคิดบทสวดมนต์สวดไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเย็นจะสบายแต่อาจจะยังไม่หยุดคิดถ้ายังไม่หยุดคิดเราก็ต้องบริกรรมพุทโธพุทโธต่อไป จนกว่าใจจะหยุดคิดพอหยุดคิดแล้วเราก็ไม่ต้องบริกรรมเวลาใจหยุดคิดแล้วเราก็จะรู้สึกว่าไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับความสุขนี้ลหลังจากนั้นแล้วเราจะไม่อยากจะได้อะไรเราอยากจะได้แต่ความสุขแบบนี้เราก็จะทุ่มเทเวลาชีวิตจิตใจของเรากับการทำความสุข ทางจิตใจคือการทำความสงบนี้ให้มากขึ้นจะสวดมนต์มากขึ้นจะนั่งสมาธิมากขึ้นถ้าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำงานทำการก็จะหาที่สงบแล้วก็นั่งสมาธิสวดมนต์ไปภายในใจหรือบริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจถ้าทำไปบ่อยๆแล้วต่อไปเวลาอยากจะสงบนี้จะไม่ยากเลยเพียงแต่นั่ง ตังสติกล่าวคำบริกรรมพุทโธไม่กี่คำใจก็นิ่งแล้วใจก็จะสงบแล้วก็จะมีความสุขเหมือนกับยิ่งกว่าเป็นมหาเศรษฐีเพราะว่าถึงแม้จะเป็นมหาเศรษฐีถึงแม้จะมีความสุขแต่เขาก็มีความทุกข์ด้วยแต่ความสุขทางความสงบนี้เป็นความสุขของมหาเศรษฐีที่ไม่มีความทุกข์มาเกี่ยวข้องด้วย เพราะไม่มีอะไรต้องหวงต้องห่วงต้องกังวลนั่งเองนี่คือการดูแลรักษาใจของเราด้วยการทำบุญที่สำคัญอยู่สประการคือทานคือการให้สองศีลคือการไม่เบียดเบีย น, ย น, ยนผู้อื่น 3. ภาวนาคือการทาใจให้สงบถ้าเราสามารถทําบุญทั้งสามประการนี้ได้อย่างสม่ำเสมอได้อย่างต่อเนื่องแล้ว เราใจของเราจะมีความสุขจะไม่หิวไม่อยากกับสิ่งต่างๆภายอกใจเมื่อเราไม่หิวไม่อยากใจก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความกังวลกับสิ่งต่างๆจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขท่ามกลางความวุ่นวายของสิ่งต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีการเกิดมีการดับ มีการพัดผ่าจากกาันอยู่ตลอดเวลาแต่ใจที่มีบุญจะไม่วุ่นวายจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับการพัดพ่าจากสิ่งต่างๆจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงพยายามทุ่มเทเวลาของท่านต่อการทำบุญให้ทานต่อการรักษาศีลและต่อการภาวนา ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะ <Hey. S 1> ท่านจะได้พบกับความสุขและจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองจึงขอฝากเรื่องของการละวันเพื่อมาสร้างบุญสร้างความสุขให้แก่ใจด้วยการทำบุญให้ทานรักษาศีลและภาวนานี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิพจิตรณาและปฏิบัติเพื่อความสุข และความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัะธนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพิญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ ทั้งหนทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้าการเธอ